ขอคารวะขอกเุณาขอเจริญพอจากกมพลแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทุกท่านตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะอากาศก็ยังร้อนอยู่แล้วพวกเราก็ได้ฟังกันมา3ชั่วโมงติดต่อกันสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็ซ้ำเนี่ยตามาก็จะมาบรรยายพวกเราฟังอีก40สินาทีแล้วก็เป็นการบรรยายที่อาจจะ ค่อนข้างหนักนะไม่เหมือนกับไม่มีบรรยากาศที่หลากหลายหลายรสชาติเหมือนอเมื่อช่วงที่มีการเสวนาตอนบา่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็หมายความว่าความง่วงอาจจะเกิดกับพวกเราแต่ว่าก็ให้ถือว่าเป็นช่วงกําลังการปฏิบัติขอให้เห็นความง่วงแต่อย่าเป็นผู้ม่วงนะอันนี้ก็อ่า ถือว่าถ้าติดตามสิ่งที่จะมาพูดเนี่ยได้ไม่ค่อยต่อเนื่องนะก็อย่างน้อยได้สืบนะดูความม่วงของตัวเองไปนะหัวข้อบรรยายนียนะ่เห็นไม่เป็นคาว่าเห็นเนี่ยมันเป็นจิริยาและเป็นสภาวะที่สําคัญมากในพุทธศาสนา เราจะเคยได้ยินคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตประโยคสั้นๆเนี่ยนะครัว่าเห็นธรรมมันมีความหมายมากทีเดียวน ะ, mm. นะเห็นธรรมก็คือจะเรียกได้ว่าบรรลุถึงดวงติของความเป็นพุธเลยก็ว่าได้ mm. มันมีคำคล้ายๆกันอีกเช่นดวงตายเห็นธรรมหรือว่าเห็นสัจธรรมอย่างแจ่มแจ้งดวงตายเห็นธรรมก็คือเด็นพระโสดาบัน เห็นทำอย่างแจ่งแจ้งก็หมายถึงบรรุอรหัตผลแล้วก็ว่าเห็นเนี่ยนะเป็นคำไทยแท้ๆไม่ได้เป็นคำบาลีที่ยากอะไรเลยนะแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งและมีความสำคัญมากในพุทธพจน์เนี่ยนะจะมีข้อความที่ใช้คำว่าเห็นอยู่บ่อยๆใครที่คุ้นเคยกับบทสวดเรวติลักษณาจิกกะถาเนี่ยคำวัดนะของส่วนโมนเนี่ย มีข้อความมันบอกว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์หรือว่าธรรมทั้งปวงเป็นนัตตาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยห่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางพระนิพพานอันเป็นธรรมบรรจุดนั้นเห็นเนี่ยนั่นมันจะโยงกับเรื่องของพระนิพพานเลยทีเดียวในบทสว่วนอีกบทหนึ่งนะ้ชื่อว่าพระเทกระตคาถาทีม่มีข้อความว่า ผู้ใดนะเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่งแจ้งไม่งอนงนันคลนแคลงเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไวนะ้อันนี้ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งอีกแง่หนึ่งของคำว่าเห็นนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ควรทำสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกนะที่หลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านจะ พูดว่าเห็นนะเห็นอยู่เป็นประจำนะเห็นไม่เข้าไปเป็นนะถามว่าเห็นอะไรนะสำหรับนักปฏิบัติธรรมที่เพิ่งฝึกใหม่เนี่ยหรือที่จริงผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็ตามเนี่ยตามได้ที่ยังไม่เห็นทำอย่างแจากแจ้งนะ ก็ต้องฝึกให้เห็นความคิดนะเห็นความคิดท่านใช้คำว่าเจาะเอะความคิดเนะจาะเอะความคิดนะเมื่อเห็นความคิดเนี่ยท่านบอกว่าจิตใจก็จะเปลี่ยนแปลงเห็นความคิดยังรวมถึงว่าเห็นอารมณนะ์ความที่จะอารมณ์ไม่เหมือนกันอารมณ์ในที่นี้เนี่ยหมายถึง อารมณ์ที่เราเข้าใจดูทั่วไปเช่นดีใจเสียใจโกรธโมโหนะเศร้าก็ต้องเห็นมันด้วยเห็นอารมณ์เมื่อเห็นอารมณ์เนี่ยนะก็จะทำให้เกิดความอุ่นใจอุ่นใจเพราะว่าเมื่อเห็นมันก็จะหลุดจากอารมณ์นั้นนะที่เคยดีดั้นที่เคยเผาลน้นก็จะคลี่คลายไปก็จะเกิดความอบอุ่นใจ ในเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเห็นอาการที่เกิดกับรูปและนามกายกับใจอาการที่เกิดกับรูปนามกายกับใจเนี่ยก็อาจจะทุกอย่างเช่นความเจ็บความปวดนะความเมื่อยนะอันนี้ก็เป็นอาการที่เกิดกับกายหรือว่าความรู้สึกถูกบีบคั้นในที่ใจนะก็ควรจะฝึกให้เห็นมันนะ เวลาเราพูดว่าเห็นเนี่ยนะเบื้องต้นเลยเนี่ยคือเห็นความที่เห็นอารมณ์เห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายใจแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะนําไปสู่การเห็นธรรมนะและเห็นธรรมอย่างไรเดี๋ยวก็จ ะ, ะพูดต่อไปคำ ว, ว่าเห็นเนี่ยหลวงพ่อเขียนเมื่อใช้กับความคิดอารมณ์และอาการที่เกิดกับกายและใจเนี่ยจะมาคู่กับคําว่ารู้สื่ ถ้าเห็นจริงๆเนี่ยนะมันจะเกิดสภาวะคือรู้ซื่ อ, อรู้ซื่อเมื่อกี้อาจารย์ประมวลก็อธิบายว่าก็ว่าเช่นรู้ศักด์แต่ว่ารู้โดยที่ไม่ปรุงแต่งทุกอย่างเช่นเห็นเขากระซิบกะระซาบกันก็ควรจะเห็นเท่านั้นไม่ควรจะปรุงแต่งต่อไปว่า้เขากําลังดินทาเราหรือเปล่าทันทีที่คุณไปปรุงแต่งว่าเขากําลังดินทาเราไหมคุณทุกทันทีนะ คุณเกิดความสเป็นปฏิปักษ์ต่อต้านคนที่กำลังกลังจับกลุ่มซุบซิบกันทันทีอันนี้เราปรุงแต่งปรุงแต่งยังรวมมาถึงว่าการที่คุณให้ค่าการที่เห็นเนี่ยถ้าเราให้ค่าเป็นลบนะัเราทุกทันทีนะเช่นสมมุติบนโต๊ะเนี่ยนะเกิดมีขี้ตุกแก มนุษย์เราเนี่ยคนเราเนี้มันจะให้ค่าทุกขี้ทุกแกว่ามันสกปกไม่ดีเห็นก็ทุกใช่ไหมแต่เห็นดอกไม้เราให้ค่าว่าดีเราเห็นแล้วเราก็ยินดีเราก็มีความสุขการให้ค่าว่าดีร้ายบวกลบอันนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าไม่ใช่รู้สู่ อ, อและมันก็เป็นที่มาของความทุกข์เดิมเหมือนกันนะ รู้ ส, สึกยังมีความหมายว่าไม่ผลักไสไม่ต่อต้านเมื่อเกิดผัสสะไม่ว่าจะเป็นรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินทางหูหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจนะเมื่อได้ยินเสียงเสียงโทรศัพท์ดังขณนะที่อาตมากำลังบรรยาย ใช่ไหมทันทีที่เราใจเราเนี่ยต่อต้านเสียงนั้นเนี่ยใจเราทุกเลยเราจะเกิดความหงุดหงิดเราจะเกิดความไม่ไม่พอใจอันนี้เราไม่อันนี้เรียกว่าไม่ใช่รู้ซื่อๆนะมันมีอาการต่อต้านแต่รู้รซื่อๆคือว่ารู้เฉยๆนะจากคนี้เรักปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่องเห็นท่านจะใช้คำว่ารู้ซื่อๆกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจรวมทั้ ง, งความคิดด้วยเช่นความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปกดข่มมันนะ นักปฏิบัติเนี่ยจะไม่ชอบความคิดฟุง้งซ่านพอเข้าไปกดคมมันมันเป็นปัญหาทันทีความคิดฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหานะอันนี้ผู้สารณปฏิบัติความคิดฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือการที่เราไปผักสกดคมมันเพราะทันทีที่เรามีปฏิกิริยาลบแบบนั้นเนี่ยเราทุกข์ทันทีนักปฏิบัติทําอะไรคุณบอกทำยังไงดีเนี่ยปฏิบัตินะ่าฟุ้งซ่านเหลือเกินนะ ฟุ้งซาไม่ใช่ปัญหาความรู้สึกลบรู้สึกผลักไสต่อความฟุ้งซ่านั่นแหละคือปัญหาหรือคือตัวกลางของปัญหารู้เสื่อเื่อคือว่าแค่รู้เฉยๆก็เห็นมันเกิดขึ้นนะวางใจเป็นการกับมันอันนี้รวมไปถึงความโกรธหรืออารมณ์นะความเศร้ามันเกิดขึ้นก็เพียงสัตวว่ารู้เฉยๆไม่ไปผลักไสหนึ่งแล้วก็ไม่ไปคล้อยตามลหลงไหลกับมัน เป็นอารมณ์ที่เป็นเรียกว่าฝ่ายบวกอิกทธอารมณ์ก็ไม่ใช่เคลิ้มพร้อยกับมันเช่นเกิดปิติขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึ่อื่อก็คือว่าดูไม่ เ, เฉยเห็นมันไม่ไปจมดิ่งกลืนหายไปกับอารมณ์ปิตินั้นนะถ้าเป็นลบนะโกรธหงุดหงิดนะก็แค่เห็นมันรู้สื่อซื่อก็คือว่าไม่ต้องไป่ต้องทำอะไรกับมันนะ วางใจเป็นกลางกับมันมันจะไม่เป็นปัญหารู้ซสืส่อๆยางรวมถึงว่าการไม่ปรุงแต่งตัวกูนะเพราะปกติเวลาเรามีเ ว, าเวลาเกิดสสขัดแยขึ้นมาเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นตาเห็นรูปผู้ที่นเสียงเนี่ยนะถ้าสักรวาสักรวารู้เนี่ยมันก็จบเท่านั้นแต่ว่ามันก็คนเราเนีมักจะปรุงแต่งว่ามีตัวกูขึ้นมาเป็นผู้เห็นเป็นผู้ได้ยินหรือขณะเนี้ยคุณกำลังปวดอยู่อะ นะครับคุณกำลังปวดคุณกำลังมีความเมื่อยถ้าคุณรู้สึกซึ่งคุณก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ไปทําอะไรกับมันไม่ผักสายมันไม่ไปทะเลาะวิวาสกับความปวดความเมื่อยแต่พอคุณไปผักสายมันกดขมมันเนี่ยคุณทุกข์และในกระบวนการนั้นเองเนี่ยคุณมักจะพอไม่มีสติก็มักจะเผอปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยในการปรุงตัวกูขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอาการที่เรียกว่าปรุงแต่งแบบหนึ่ง นะถ้ารู้ซื่อเนี่ยก็แค e ่รู้ว่าปวดแต่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่มีตัวกูผู้ปวดตัวกูผู้เมื่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเห็นกับรู้ซื่อเนี่ยนะมันจะมันจะไปด้วยกันนะคำว่ารู้ซื่อก็จะเป็นคําอธิบายคําว่าเห็นเนี่ยให้รู้ว่าให้เข้าใจว่าเห็นจริงจิเห็นเนี่ยที่ครูบาอาจารย์พูดหมายถึงอะไรถ้าผิดจากรู้ซื่อเนี่ก็แปลว่าไม่เห็นแล้วนะมันเข้าไปเป็นแล้ว ตอนนี้เห็นเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านจะมักจะไม่ได้พูดคำว่าเห็นเฉยๆมักจะพูดคําว่ามักจะเติมหรือว่าเสริมคําว่าไม่เข้าไปเป็นนะหลายครั้งเนี่ยท่านจะพูดเห็นและไม่เข้าไปเป็นเห็นอย่าเข้าไปเป็นนะและบางบางครั้งเนี่ยท่านจะไม่ใช่คําว่าเห็นแต่ท่านใช้แค่ว่าภาวะ ภาวะที่เห็นภาวะที่ดูนะและไม่เข้าไปเป็นนะมันเป็นสภาวะมันไม่ใช่แค่ิริยาเท่านั้นเป็นสภาวะนะซึ่งอันนี้ก็มีคำถาม ว, ว่าเเป็นเนี่ยคืออะไรหมายความว่าอย่างไรนะความหมายง่ายก็คือว่าเมื่อมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ยก็เข้าไปในอารมณ์นั้น เหมือนกับเราเห็นเสาเนี่ยถ้าเห็นเสาเนี่ยก็ไม่มีอะไรแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าไปกอดเสาเอาไว้จะโผล่เข้าไปกอดเสาเอาไว้คือไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอารมณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าก็าไปกอมดมันเอาไว้นะอันนี้เรียกว่าเข้าไปในอารมณ์นั้นหลวงพ่อทเห็นท่านใช้คาว่าท่านเปรียบบางทีท่านเปรียบว่าเหมือนกับคนที่อยู่ในน้ํา คนที่อยู่ในน้ําคือโจรไปในน้ำเนี่ยเห็นน้ําอยู่เนี่ยโจรเข้าไปเลยนะคนที่โจรเข้าไปในอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์บวกอารมณ์ลบลบเนี่ยนะนั่นก็คือเป็นนะแต่ถ้าเห็นคืออะไรเห็นก็คือว่าอยู่บนฝั่งนะท่านใช้ก็ว่าคนที่ขึ้นฝั่งหรือว่าอยู่บนฝั่งเมื่อคุณอยู่บนฝั่งเนี่ยคุณก็เห็นกระแสน้ําไหลนะมันก็ไหลเขามันไปมันจะเอามาเน่ารอยน้ําก็ช่างมันนะมันจะมีเรือสำรันลอยผ่านไปก็เป็นเรื่องของมัน แต่ถ้าเข้าไปเป็นเนี่ยคือโจรเข้าไปในน้ำนะอาจจะเข้าไปเพื่อที่จะยึดลากเรือสําราญให้มันมาเป็นของเราหรือว่าพยายามผลักสายมาหน้าลอยหน้าให้มันทางไปไก ล, ไกลทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ว่าจะยึดเอาเข้ามาหรือว่าผลักสายออกไปเนี่ยมันก็หนีเป็น้นการที่เข้าไปในอารมณ์นั้นนะเป็นยังไงมีงความหมายว่า ยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นเราเป็นของเราใช่ไหมเห็นแทนที่จะเห็นความโกรธก <ical> ็เ <Pol> ป <k> ็นผู้โกรธแทนที่จะเห็นความปวดความเมื่อยก็เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยอันนี้เรียกว่าไปยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นเราเป็นของเรามีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยแทนที่จะเห็นมันเฉยๆนะก็ไปยิดว่านี่คือความคิดของเรานะเราเป็นผู้คิดและเมื่อมันเป็นความคิดของเราใช่ไหม ใครที่วิจารณ์ความคิดนี้ก็จะโกรธเพราะเหมือนกับว่ากำลังวิจารณ์เราความคิดมันเป็นเดาแล้วลที่ผู้คนทุ่มเทียงกันทะเลาะบอกแย้งกันเนี่ยบ่อยครั้งเพราะความคิดแต่ความคิดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือการที่เราเป็นยึดมั่นว่าความคิดของกูนะต่อความคิดของกูเนี่ยและเธอไม่เห็นด้วยก็กลายเป็นปฏิบัติ จะเป็นลูกจะเป็นพ่อเป็นแม่แต่คิดไม่เหมือนเราหรือว่าวิจารณ์ความคิดของเราเนี่ยก็เกิดความโกรธเกิดการทะเลาะบอกแวงขึ้นมานะเป็นยังมีความหมายว่าปรุงตัวครูขึ้นมาเป็นผู้สวยอารมณ์นั้นอารมณ์หรือผัสสะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ว่าจะดีใจเสียใจเนี่ยนะพอมันมันเกิดขึ้นของมันเนี่ยก็เป็นธรรมดาของมันความโกรธเกิดขึ้นเมื่อ ตาเห็นรูปปุ่นดิเสียงแต่พอเป็นนะมันก็จะปลุมตัวปูขึ้นมาเป็นผู้โกรธเป็นผู้เป็นผู้ปวดผู้เจ็บนะนั้นจะเห็นได้ว่าเห็นเนี่ยนะกับเป็นเนี่ยมันมันจะแตกต่างกันเห็นเนี่ยมันจะไม่มีการยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานะมันจะไม่ใช่เป็นการโจรเข้าไปในอารมณ์นั้นงั้นตาเห็นจริงๆแล้วเนี่ยนะมันจะไม่มีการยึด นะไม่มีการยึดมั่นสำคัญหมายนะมีความวกลัวกระเพืนเห็นความโกรดนั้นความโกรดสักพักก็เลือนหายไปปัญหาของผู้คนคือว่าพอมีพอความโกรนเกิดขึ้นเนี่ยก็ไปยึดว่าความโกรดเป็นฉันเป็นของฉันเป็นกูเป็นของกูไอการยึดนี่แหละที่ทำให้ทุกข์ เหมือนกับมีกองไฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยแทนที่จะเห็นกองไฟเท่าไรเห็กองไฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราทุกข์ไหมเราไม่ทุกข์แต่มันทุกข์เมื่อเราโจรเข้าไปในกองไฟกองไฟน่ า, า จ, จะเหมือนอาจจะเป็นแต่ความโกรธความปวดเราเห็นความโกรธเนี่ยมันไม่ทุกข์นะประเดี๋ยวความปวดก็เลือนหายไปเพราะไม่มีการไปเติมเชื้อเติมฟืนให้มันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอความปวดเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เห็นเขาเป็นเหมือนก็โจรลงไปในใ น, ในกองไฟนั้นก็ร้อนก็ปวด ความโกรธไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือการที่ไปยึดนะไปยึดมันต่างหากหรือเขไปเป็นมันนะอธตอมายยตัวอย่างง่ายๆนะก็ไม่รู้ง่ายหรือเปล่านะเคยมีคนถามหลวงปู่ดูนัตุโลว่าหลวงปู่มีโกรธไหมเขาเชื่อว่าหลวงปูู่ลเนี่ยเป็นพระอรหันต์แทนที่ท่านจะบอกไม่โกรธท่านตอบว่ามีแต่ไม่เอา เข้าใจไหมมีแต่ไม่เอาอันนี้ช่ไท่านเห็นเมื่อมีความเมื่อความโกรธเกิดขึ้นท่านเห็นมันแต่เมื่อเมื่อไม่ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ไปไม่ไปเอานะมันก็ไม่เป็นปัญหามันก็เรือนหายไปเพราะไม่มีการปลูกแตง่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเห็นนะให้เราให้เราอย่า ให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างเห็นกับเป็นเนี่ยว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะอธิบายให้เห็นชัดขึ้นเนะีเคยมีนักปฏิบัติคนนึ่งเป็นนักศึกษาเป็ น, ค น, ค, นคนสาวเนี่ยนะมาปฏิบัติที่สุกโต่ก็ฟังคำบรรยายของหลวงพ่อไปสองสามวันแล้วก็ไปปฏิบัติวันนึงก็มากราบถามหลวงพ่อคําเขียนว่าหลวงพ่อทําไงดี หนูเครียเดเหอเกินหลวงพ่อการเชี่ยวตอบท่านถามกลับไปใหม่ถามกลับไปว่าให้ถามใหม่ท่านบอกให้นันกสาวเนี่ยถามใหม่ยังถามไม่ถูกแกก็นั่งที่สักพักแล้วแกก็พุ่งมาว่าหนูเห็นความเครียดมันเยอะเหือเกิต่างกันไหมระหว่างหนูเครียดกับเห็นความเครียดหนูเครียกก็คือหนูเป็นผู้เครียด นั่นคือเป็นรูน้เห็นความเครียดนั่นคือเห็นและการเห็นเนี่ยมันจะรู้สึกซึ่งคือมันไม่เข้าไปเป็นผู้เครียดอาจารย์ประสงค์บริปุลโนท่านเคยเล่าว่าเคยไปบรรยายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนปฐมกำมังบรรยายเสร็จก็เจอเด็กอายุแปดขวบเด็กคนนี้ก็ท่าทางฉลาด อาจารย์ประสงค์ก็คุยกับเด็กสมทนากัรสักพักก็บอกว่าก็พอใจบอกว่าหนูหนูเป็นเด็กฉลาดหนูเป็นเด็กดีหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูแต่แล้วก็หยิบรูปประคังขึ้นมาจากหญ้าเด็กพอเห็นเด็กก็ร้องอู้ฮนะูอาจารย์ประสงค์ท่งกวนะ็วัยท่้นถามเลยหนูร้องอู้ฮูในหนูเห็นอะไรเด็กตอบว่ายังไงซะนั้นเด็กบอกหนูเห็นข้างนานมันดีใจกนะัน ถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตอบว่าหนูดีใจหรือผมดีใจใช่ไหมถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกผมดีใจหนูดีหรือดิฉันดีใจแตเด็กตอว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะนั่นแปลว่าอะไรนั่นเห็นเห็นความดีใจไม่ใช่เป็นผู้ดีใจอาจารย์ประสมก็ถามต่อว่าแล้วหนูทําไงกับมันเด็กตอบดีบอกหนูไม่ทำอะไรกับมันเลยค่ะหนูแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ข้างในมันเบาลงแล้วความดีใจมันลดลงแล้ว เ, เห็นไหมเนี่ยคือรู้ซึ่อคือนี้แหละคือไม่ต้องทําอะไรกับมันเ น, นี่นะเนี่ยเด็กเนี่ยแม้กระทั่งความดีใจเด็กก็เห็นมันนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะดีใจก็เป็นนะแต่จะเห็นก็ต่อเมื่อทุกข์ใจไม่ใช่บางคนบอกเอ้ะถ้าทุกข์ใจนี่ขอเห็นพอนะแต่ถ้าดีใจขอเป็นได้ไหมมันไม่ได้นะถ้าคุณเป็นผู้ดีใจคุณเจอความเสียใจคุณต้องเป็นใช่ไหมเหมื่อคนที่เขาชมเราดีเราก็ดีใจถ้าถ้าไม่ชมเราหรือเขาด่าเราก็ทุก ไม่ใช่ว่าเขาชมเราเราดีใจพอเขาด่าเราเราไม่ <c oughs> ไ ม, ไม่ไม่เสียใจนี่มันเป็นไปไม่ได้มันมันไปด้วยกันนะเมื่อคุณชมแล้วดีใจคุณก็ต้องทุกข์เมื่อเขาไม่ชมหรือเมื่อเขาตําหนิแล้วเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยแม่กะทั้งความดีใจแกก็เห็นนะแล้วก็ก็ทําอย่างที่ครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงพ่อเขียนครูคือรู้ซื่อต้องทําอะไรกับมันแล้วเด็กบอกว่าพอไม่ทําอะไรกับมันเป็นางมันก็สงบลงมันก็เบาลง มันไม่ใช่แค่ความดีใจที่เป็นอย่างนั้นนะความเสียใจยความกวดก็เป็นอย่างนั้นก็คือถ้าคุณเห็นมันเนี่ยนะมันก็จะเบาลงสบงบลงตรงข้ามถ้าคุณไปกดคมมันหรือคุณไปเคลิ้มคล้อยตามมันมันก็จะเหมือนกับไปต่ออายุให้มันคราวนี้เนี่ยเห็นถ้าเราเห็นอารมณ์ที่เป็นลบเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะช่วยทำให้หลุดจากอารมณ์นั้น นะที่หลุดเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรก็คือไม่ไปยึดมันไม่ไปเอามันนะมันก็จะหลุดนะการเห็นที่มีรูกภาพนะเวลาเศร้าเวลาเสียใจเนี่ยคุณไม่ต้องไปกดข่มความเศร้าคุณก็เพียงแต่ให้เห็นและรู้ทันมันมีพี่องค์คนนึงเนี่ยแกพอพบอกผว่าตัวเองเนี่ย มาพบว่าสามีเนี่ยที่อยู่กันมาสิกว่าปีเนี่ยนอกใจนะไปมีกิกเธอเนี่ยเคยมีความศรัทธามีความไว้วางใจผู้ชายคนนี้มากแล้วเคยรู้สึกว่าโชคดีที่ได้ผู้ชายนี้มาเป็นสามีแต่พอรูความจริงเขานี่เธอโกรธมากนะขึ้นมึงขึ้นกูกับผู้ชายคนนั้นรู้สึกเสียดายเวลาสิกว่าปีที่อยู่กับผู้ชายคนนี้ แต่ว่าในสุดเธอตัดใจได้นะเธอก็เลิกลาเขาไปแล้วก็ยังดีใจเลยว่าเออือยังแปลกใจเลยว่าไม่ได้กุ้มหรอกกุ้มใจอะไรมากกับการที่ต้องหย่าล้างกับผู้ชายคนนี้ยังชมตัวเองเลยนะว่า้ เ, ออเราปฏิบัติ ท, ทําได้ดีนะแต่หลังจากไม่นานเนี่ยนะก็ไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมเจ็ดวันพอเข้าคอสเนี่ยแค่วันแรกเนี่ยเธอก็ร้อนรุ่มเลยนะ พ่อหัวนคิดถึงผู้ชายคนนั้นรู้สึกโกรธรู้สึกเจ็บแค้นรู้สึกว่าเขาทําลายช่วงเวลาดีๆของเธอไปแล้วยรู้สึกเจ็บปวดมากร้อนรุ่มทั้งวันวันที่สองก็ยังเหมือนเดิมที่เคยคิดว่าเอ้ยเราทําใจได้ที่ไม่ใช่ไอตอนทําใจได้เพราะว่ามันมีอะไรมีโน่นนี่ให้ทําใจมันก็เลยลืมเรื่องนั้นไปแต่พอใจมันว่างไม่มีอะไรให้ทำเนย มันก็ไปวนคิดเรื่องนี้วันที่สองก็แล้ววันที่สาก็ยังร้อนรุ่มนะรู้สึกแย่มากเลยไม่รู้ว่าจะอยู่ปฏิบัติได้ครบเจ็ดวันหรือว่าวันที่สี่เนี่ยนะเธอก็ร้อนนะแต่ไม่มีช่วงหนึ่งนะัเธอเดินจงกลมเดินจงกลมก็เอามือประสานไว้ที่ที่ที่ข้างหน้าเนี่ยนะเดินไปสักชั่วโมงหนึ่งก็เมื่อยพอเมื่อยเนี่ยเธอก็ปล่อยมือพอปล่อยมือเสร็จสบาย ไอ้ความสุสบายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เธอถูกคิดขึ้นมาเลยนะว่ามันทุกข์พยึดไอ้ตัวนั้นเองจิตเห็นเลยนะเห็นสติเนี่ยมันเห็นจิตที่มันไปยึดเอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วคือเรื่องผู้ชายคนนั้นเนี่ยุณคิดแต่เรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมปล่อไม่ยอมวางพเห็นพอเห็นความยึดติดนะที่ผูกพันกับเรื่องในอดีตเนี่ยพอเห็นนะรู้ มันวางเลยแค่รู้เท่านั้นนะมันวางเล ย, พ อ, เนเนยพอวางเสร็เนี่ยพอวางเสรจิตโปรง่งร่วงเบาสบายเลยเธอไม่ได้กดข่มความคิดเกี่ยวกับอดีตสามีเพียงแต่รู้ทันนะว่าใจไปเผอแบกนะพอรู้ทันเนี่ยมันจะวางไปเองนะเพราะเนี่ยความไอการที่เห็นเนี่ยนะมันช่วยทำให้ใจโปร่งเบาสบายได้ผู้ยางคือทาให้ใจใสงบ อันนี้อันนี้สอของหรือประโยชน์ของการเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําให้ใจสงบแต่ว่ามันสามารถจะนําไปสู่การเกิดปัญญาได้เพราะว่าเมื่อเราเห็นเมื่อเราเห็นความคิดและอารมณ์เห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจอยู่เนืองเดืองเนี่ยนะมันจะเห็นความจริงของมันเดี๋ที่บางทีครูบาอาจารย์ก็พูดว่าความจริงมันแสดงตัวออกมาที่จริงความจริงมันแสดงตัวออกมาเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะ กายและใจเนี่ยมันแสดงความจริงออกมาให้ให้ให้เราตลอดเวลาแต่เพราะเราไม่เห็นเพราะเราค่อยเป็นนะแต่เมื่อครั้งที่เราเห็นนะเราเห็นเห็นในที่คือมีสติเห็นนะความจริงของกายและใจมันก็จะปรากฏให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเข้าใจความจริงนะของรูปของนามของกายและใจนะ ผู้อยายคนก็จะพบว่าเออเห็นพอปฏิบัติงจุดหนึ่งเกิดพัฒนาเกิดปัญญาขึ้นมาก็ใช้ว่าเห็นรูปนามเห็นรูปนามหมายความว่าอะไรหมายความว่าเห็นรูปรักนามเนี่ยมันแยกกันแต่ก่อนไม่เห็นนะเวลาเวลาเดินเนี่ยก็รู้สึกแต่ว่าเราเดินเวลาคิดก็รู้สึกว่าเราคิดหรือสําคัญบ้างหมายว่าเราคิดเวลากโกรธก็สําคันบ้างหมายว่าเราโกรกไม่มีตัวเราตลอดเวลาเป็นผู้เดินเป็นผู้คิดเป็นผู้โกรก แต่พอมาดูกายดูใจมันจะเห็นเลยนะว่ากายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งรูปก็อันหนึ่งนามก็อันหนึ่งเวลาเดินเนี่ยรูปมันเดินเวลาคิดเนี่ยใจมันคิดมันไม่ใช่ไม่ใช่เราคิดไม่ใช่เราเดินหลวงพ่อผิดใช่ไหว่ามันถลุมมันจะถลุมมันย่อยเวลาเวลาถลุมแลเนี่ยมันจะมันจะทําให้แล่ทําให้วัตถุมันทำให้สิท่์แล่เนี่ยมันหลุดออกมาเป็นส่วน ไม่ใช่เป็นก้อนเป็นตุ้นนะไอการเจริญสติเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้ถลุงนะไอตัวเราที่เคลือบเป็นตุ้นเป็นก้อนเนี่ยให้มันเห็นเป็นรูปเป็นนามนะและตรงนั้นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันแยกกันนะและในเพราะฉะนนั้นเนี่ยมันจะไม่เห็นเลยนะว่ามันมีตัวกู อยู่เบื้องหลังมันมีแต่รูปกับนามีแต่กายกับใจแล้วถ้าดูต่อไปก็จะเห็นว่าใจเนี่ยนะมันก็แยกออกมาปนส่วนๆเหมือนกันนะจิตก็อันหนึ่งความคิดก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งอารมณ์ก็อันหนึ่งภาษาภาษาพระเรียกว่าเจตสิกนะจิตกับเจตสิกนี่คนละอันกันเวทนาก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งมันจะเห็นแล้วมันจะเห็นเลยขันท่าเนี่ยมันแยกเป็นส่วนๆ กายก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งอย่างคุณตอนนี้นะถ้าคุณปวดเมื่อยเนี่ยถ้าคุณดูด้วยสติคุณก็จะเห็นนะว่ากายร่างกายก็อันนึงความปวดก็อันหนึ่งมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่มันมีงาสัยกันหรือมันเกิดความปวดมันเกิดขึ้นที่กายความโกรธเกิดขึ้นที่ใจแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวเดียวกับใจหรือว่าจิตมันแยกกันและตรงนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่ามันที่ทางบางคนเรียกมันเห็นการแยกขัน แล้วตรงนี้เนี่ยมันทําให้ไอ้ความยึดมั่นในตัวกูเนี่ยหรือความสําคัญมันหมายว่ามีตัวกูเนี่ยมันจืดจางมันบรรเทาเบาบางลงตรงนี้แหละที่เรียกว่าเกิดปัญญาและนอกจากเห็นความจริงของกายและใจในลักษศดรว่ามานะเนี่ยมันก็จะเห็นต่อไปนะว่าเห็นลักษณะของกายและใจเห็นความจริงว่ามันเป็นไตรลักมันไม่เที่ยง ม, มันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตรงนี้แหละนะที่ ทำให้เกิดปัญญานะหลวงพ่ อ, ขอเขียนท่านท่านพูดว่าเนี่ยนะเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเราเจริญสติเนี่ยแล้วก็เห็นบ่อยๆรูส้สื่อเนี่ยแลนะสื่มันก็จะเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ทั้งปวเนี่ยเห็นไตรลักษณ์อย่างเดียวเนี่ยมันก็ผ่านได้ตลอดนะแล้วมันไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้ เพราะว่าเมื่อมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยนะมันก็จะทําให้ปล่อยวาง น, นะไม่ยึดมั่นถือมั่นและเมื่อมายึดไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะก็เรียกว่าคนทุกข์ได้ยังแก่ยังเจ็บยังต้องสูญเสียยังต้องเจอความพลาดพลาดแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดกับกายเกิดขึ้นกับวัตถุสิ่งของเกิดขึ้นกับผู้คนแต่ไม่ทําให้ใจเป็นทุกข์นะับ เพราะว่าจิตเนี่ยไม่ได้ยึดมั่นไม่ได้ต่อเกี่ยวว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะ <c oughs> นั้นเนี่ยสุขคือว่าเห็นเนี่ยนะมันจะเห็นได้สองอย่าง <c oughs> เห็นด้วยสติ <c oughs> เห็นด้วยสติที่ไม่อกีต่ายกพุทธภาษิตว่าผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคลอนแคลนเขาควรพ่อบวรอาการเช่นนั้นไว้เนี่ย ความหมายคือการเห็นด้วยสติธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยจะเป็นความคิดจะเป็นอารมณ์จะเป็นความโกรธจะเป็นความเกลียดมันคือธรรมนะมันคือธรรมแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรกับมันคุณแค่เห็นธรรมเห็นมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านะไม่งอนงันคอนแคลนนะคือจิตตั้งมั่นนะไม่ไปไม่ไปเคลิ้มคลายกับมันแล้วก็ไม่ไปผักสายมันเนี่ยทํานี้ได้บ่อยๆนะต่อไปก็จะเห็นด้วยปัญญา เห็นด้วยปัญญานี่ก็อย่างที่ธรรมายกตัวอย่างพระสักครูนะตอนต้นว่าเมื่อใดบุคคลเห็ด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารท้วงปเป็นทุกข์ธารมทั้งปวงเป็นนัตตาเมื่นอนั้นย่อมเหนื่อในสิ่งที่เป็นทุกที่ตกลงนั่นแหละเป็นทายพระนิพพานเป็นธรรมโอจดก็คือเมื่อเห็นด้วยปัญญาเนี่ยนะมันก็จะเข้าไปสู่กระแสพระนิพพานนะหรือว่าการพ้นทุกข์ได้ดังนั้นให้เข้าใจนะเวลาเวลาครูบาอาจารย์พูดพว่าเห็นเนี่ย วันทีท่านก็หมายความว่าเห็นด้วยสติบางครั้งท่านก็หมายความว่าเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติเนี่ยนะก็คือเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับการและใจรู้ทนันความเป็นรู้ทันอารมณ์นะซึ่งเมื่อรู้ทันแล้วมันจะวางเมื่อวางก็เกิดเกิดอะไรขึ้นเกิดความสงบ ต, ตอนนั้นเนี่ยจิตที่รุ่มร้อนทุกก็จะคลี่คลายบรรเทาลงอันนี้เรียกว่าหมดทุกข์เป็นคราวๆไปหมดทุกข์เป็นคราวๆไปนะ แต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาและเป็นปัญญาที่แจ่มแจ้งในไตลักเนี่ยนะมันก็จะเป็นจิตจะไปสลายท้ายกิแล้ว ก, ก็หมดทุกข์อย่างสิ้นเชิงนะเพราะว่ากิเลสไม่มีที่ตั้งนะตัณหาไม่มีที่ตั้งนะงั้นเห็นด้วยสติทำให้ทำใ ห, ทำให้พ้นทุกข์เป็นขา่าวคราวแต่ว่าเห็นด้วยปัญญาเนี่ยสามารถทําให้พ้นทุกขได้ขาววอนอาจารย์ประมวลได้สรุปไว้อย่างดีเลยนะเมื่อกี้นี่ว่ามันมีการมันมีการกา ร, ารพ้นทุกข์มันมีหลัก2แบบนะ คนทุกเล็กล็กน้อยน้อยนะกับพ่นทุกในสังสารวัตพนะ่นทุกเล็กล็กน้อน้อยทำไมด้วการทุกเป็นเขาคราวไปพวกเราเนี่ยนะก็ยังสามารถเชียบพ่นทุกเป็นเขาคราวไปได้เมื่อเรามันที่จะเห็นมันนะใหม่ๆอินทรีย์เราจะไม่แก่กันล้วก็เห็นด้วยสตินะแต่เมื่อเราปฏิบัติไปเราก็จะเห็นด้วยปัญญาวันนั้นเนี่ยถ้าผู้มิ่งกจะเข้าใจนะเมื่อหลวงพ่อผมเขียนท่านใช้คำท่านพูด ท่านบันทึกไว้ในตอนที่ท่านอาภาคว่าเห็นทุกนะก็คนทุกเห็นทุกก็คนทุกนะทุกตัวแรกเนี่ยอาจจะหมายถึงทุกภเวชนาก็ได้เช่นคุณกาลังปวดคุณกำลังเมื่อยเนี่ยนะพอคุณเห็นทุกนะเห็นความปวดความเมื่อยเนี่ยจิตคุณก็ไม่ทุกจิตคุณก็จะสงบกายยังปวดอยู่กายยังเมื่อยอยู่แต่จิตคุณสงบนะอาจารย์กำพลเนี่ยท่านบอกว่าจุดเปลี่ยนสําคัญเนี่ย ที่ทําให้หมดจากความพ้นจากความทุกเวลาพ้ น, นทุกจากความพิการเนี่ยตอนที่เจริญสติพิชมือไปพิชมือมานะแล้วก็เห็นเลยนะว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยคือกายทุกแต่ว่าใจาไม่ได้ทุกด้วยไอ้ที่พิการเนี่ยคือกายพิการแก่ใจไม่ได้พิการด้วยนะเมื่อเห็นว่ากายพิการแต่ไม่ใช่กูพิการเนี่ยจิตมันก็ลาออกจากความทุกเลย แต่ยังที่การอยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ละอันนี้เราว่าเห็นทุกตัวแรกเนี่ยเขาว่าเห็นทุกเห็นทุกก็คนทุกเนี่ยทุกตัวแรกเนี่ยอาจจะหมายถึงทุกเวชชบาศก็คนทุกคนทุกแบบเนี่ยอาจจะเป็นการคนทุกเป็นคราวๆก็ได้นะเช่นเห็นความปวดความเมื่อยนะแล้วก็จิตก็ไม่ไปยึดมันกายทุกแต่ ปวดใจไม่ปวดนะอันนี้ก็เรียกว่าค้นทุกข์ในความหมายหนึ่งในความหมายที่สองเนี่ย้นทุกข์เห็นทุกข์แต่ไม่พ้นทุกข์เนี่ยทุกตัวแรกหมายถึงการที่เห็นนะทุกข์ในไตรักนะเห็นทุกข์ในรักทุกข์ในใจรักคืออนิจจังทุกขังนั้ตา เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันล้วนแล้แต่ทุกข์ทั้งนั้นก็คือว่ามันอยู่มันถูกบีดคั้นด้วยเหปัจจัยต่างๆถูกวิดคั้นด้วยนําความเกิดและความดับนะอันนี้เรียกว่าทุกข์ในตายรักซึ่งเกิดขึ้นได้กับสิ่งที่ไม่มีชีิตก็ได้เกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นนามธรรมาก็ได้เช่นความคิดหรือความสุขเสาอ่าก้อนหิน ต, ต้นไม้เนี่ยมันล้วนแล้แต่เป็นทุกข์ในความหมายที่ว่าทุกข์ในไตายรัก เมื่อเห็นทุกในตายรัดก็จะพ้นทุกทุกตัวที่2เนี่ยมาถึงทุกในฤาษีนะทุกในฤาษีนะทุกในฤาษีเนี่ยเราเรียกว่าทุกข์ขัดเช่นความโศความร่ำไรลําพันธ์ความทุกความโทมนัดนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นทุกในฤาษีซึ่งเราสามารถจะพ้นจากมันได้เมื่อเราเห็นแจ้งแจ้งว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะ ทุกในที่นี้เนี่ยคือทุกในไตรลักษณ์คือคําว่าคําว่าทุกในศาสนาเนี่ยมันคือมันต้องแยกนะว่าเวลาท่านพูดถึงทุกนั้นท่านพูดถึงทุกในความหมายไหนมายถึงทุกเพเพทานาหมายถึงทุกในบริษัท4ี่หมายถึงทุกในไตรลักษณ์หรือวามเขียนเนี่ยสุดท้ายไปทางเนี่ยตมานะท่านต้องการจะบอกว่าเมื่อเราเห็นเมื่อเราเห็นว่าสังขารทุกเป็นทุกเนี่ยอย่างแจ่มแจ้งจิตก็จะก้นทุกนะ ยังแก่ยังเจ็บยังป่วยแล้วยังต้องตายอย่างหลวงพ่อแต่ว่าใจท่านไม่ทุกข์แล้วนะเพราะว่าท่านเห็นว่าสังขารทั้งหมดเป็นทุกข์และเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เวลาใครที่ศึกษาเรื่องไอสัตวีก็จะตําหนักตีเลยนะว่าเวลาท่านพูดเรื่องทุกข์ทุกข์ทุทเนี่ยนะท่านจะบอกต่อไปว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้กําหนดรู้เนี่ย ไม่ใช่ไปเพ่งมันภาษาบาลีชนใช้คำปริญญาก็คือรู้รอดนะทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้พูดง่ายนะแล้วคุณจะรู้ได้คุณต้องคุณต้องเห็นมันก่อนแต่คนส่วนใหญ่เวลาเจอทุกเนี่ยเป็นเจอทุกเนี่ยเป็นทุกไม่ได้เห็นทุกทุกเนี่ยมีประโยชน์นะถ้าเราเห็นมันแต่ไมันจะกลายเป็นโทษทันทีถ้าเราเป็นมันนะเป็นมันหรือเป็นทุกหรือเป็นพูดทุกนั้น ชาวพุทเนี่ยเราไม่กลัวทุกนะเพราะเรารู้ว่าเราเพราะเรามีเครื่องมือที่จะรับมือกับมันก็คือรู้ทันมันเห็นมันชาพูทธจำนวนไม่น้อยในกลัวทุกนะเวลากไปทิฏฐานเนี่ยก็ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีคําว่าไม่มีนะซึ่งมันเป็นไม่ ไ, มได้นะยังไงก็ต้องเจอคําว่าพร่องเพราะคําว่าทุกแปลว่าพร่องใช่ไหมชาวพุทเนี่ยเราไม่กลัวทุกนะเพราะเรารู้ว่า ทุกเนี่ยสามารถจะสอนทําให้กับเราได้ทุกเนี่ยเป็นประตูไปสู่นิโรธนะผู้เจ้าเนี่ยจึงให้ทุกเนี่ยทุกขสัตว์เนี่ยเป็นข้อแรกในสัตว์เพราะว่าถ้าผ่านตรงนี้มาได้เนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องสมุนไพรแล้วก็จะเข้าถึงนิโรธได้ด้วยการเจริญให้โงมักให้มากขึ้นทุกมีประโยชน์แต่จะมีประโยชน์ได้เนี่ยคุณต้องเห็นทุกไม่ใช่เป็นทุก ้นชากผู้เราเนี่ยอย่าไปกลัวทุกนะเรารู้วิธีที่จะเห็นทุกและเราก็จะสามารถใช้ทุกเป็นประโยชน์ได้นะเห็นทุกก็จะถึงธรรมนะเราเคยได้ยินมาที่ครูบาอาจารย์บอกว่าทุกไม่ได้มีไว้เป็นทุกมีไว้เห็นนะเวลาที่คุณปวด เ, เมื่อยเนี่ ย, น, ยนะก็อย่าไปตีโตพโีอดโยนะลองมองว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้เห็นทุก ที่เราจะได้เจริญปัญญาอันนี้ที่ผู้มาทั้งหมดเนี่ยนะก็จะเห็นเลยนะว่าเห็นกับเป็นเนี่ยนะมันแยกกันมันคนละนกับตรงข้างกันเลยเห็นเนี่ยมันคู่กับรู้ส่วนเป็นเนี่ยมันคู่กับหลงนะแล้วเมื่อรู้แล้วเนี่ยมันก็จะหลุดมันก็จะวางแต่ถ้าหลงแล้วมันก็จะยึดมากขึ้น เวลาคุณโกรธแล้วคุณจมไปในความโกรธเวลาคุณเศร้าคุณจมไปในความเศร้าเนี่ยคุณยึดความเศร้าไว้คุณยิ่งจมไปในความเศร้ามากขึ้นเวลาคุณเศร้าเนี่ยเพื่อนชวนไปเที่ยวไม่ไปนะจะฟอนั่งเจ้าจุกเวลาเศร้าเนี่ยอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงสนุกไหมอย่าฟังเพลงเศร้าใช่ไหมก็คือว่ายิ่งเศร้ามันก็ยิ่งยึดแล้วก็ยิ่งยึดก็ยิ่งจมไปในความความความเศร้าแล้วก็ยิ่งทุกข์มากขึ้น โกรธแล้วก็หลงในความโกรธเนี่ยมันก็ยิ่งจมไปในความโกรธนะแล้วก็ยิ่งรุ่มร้อนแต่ถ้าคุณเห็นคุณรู้ทันคุณก็จะหลุดได้ตอานี้เนี่ยอา ต, ม า, ตอมาได้พูดเรื่องว่าเห็นเนี่ยนะคือเห็นความคิดเห็นอารมณ์นะอยากจะเน้นตัวหนึ่งนะซึ่งเราควรจะฝึกให้ได้ก็คือเห็นเวทนา นะเห็นเวทนาคือว่าเมื่อ ม, มีความปวดเกิดขึ้นเนี่ยนะก็ไม่เป็นผู้ปวดนะไม่เป็นผู้สวดเวทนาเห็นเวทนาเห็นว่าปวดไม่เกิดขึ้นหลวพ่ออมเขียนีน้ท่านสอนพวกเราได้เยอะเลยนะในช่วงที่เวลาที่ท่านปวดเนี่ยเวลาที่ท่านเจ็บป่วยเนีตอนที่ท่าป่วยครั้งแรกเนี่ย ท, ที่เป็นมะเร็งมะเร็งตอนน้ำเหลืองเนี่ยทนะ่านมีทุกขเวทนามากลูกศิลป์ลูกหาก็เห็นท่านแล้วก็ร้องไห้ เสียใจนะแต่หลวงพว่อนี่ท่านสงบตอนหลังท่านก็พอออกมาท่านก็บอกลูกศิษย์นะว่าความปวดเนี่ยนะมันไม่ลงโทษเรามันไม่เท่าไรหรอกแต่ถ้าเป็นผู้กลัวเสร็จมันลงโทษเรานะความปวดเนี่ยมันมีเอาไว้เห็นเอาไวด้ดนะูเคยมีตอนที่ท่านตอนที่ท่านปวดเนี่ยนะตอนที่ท่านป่วยเนี่ย หมอก็เคยมากดนะที่ท้องท่านเพราะว่าท่านหมอได้พบว่าเนื้อเนี่ยมะเร็งนี่ยมันมสงสารกระจายที่ตับก่อนท่านก็ปวดมากหมอถามหลวงพ่อปวดไหมหลวงพ่อบอกปวดเต็มร้อยเลยปวดเกินร้อยนะแล้วหมอก็เลยถามว่าแล้วทําไมหลวงพ่อไม่ร้องหลวงพ่อ บ, บอกว่าเนี่ยปวดแล้วจะร้องทําไมให้มันขาดทุนใช่ไหมปวดเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายนะแต่ถ้าร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องของ ความทุกข์ทรมานคุณหมอสุมารีพูดดีนะปวเนี่ยมันเป็นทุกขเวทนานะแต่ถ้าทุกขเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องของตายทุกขทรมานเป็นเรื่องของจิตนะทุกขเวทนาเนี่ยเป็นความจริงแต่ว่าทุกขทุกขทรมานเนี่ยเป็นเรื่องการปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งว่ามีกูเป็นผู้ปวดแนะล้วหลวงพ่อท่าน ท่านบอกเลยนะท่านสอนไปเลยนะว่าให้ตระหนักว่าความปวดนะี่มันเป็นเพียงแค่แค่อาการเอาไว้ดูไม่ใช่ไว้เป็นแล้วท่านก็ทำให้เราดูนะท่านไม่ใช่แค่พูดไม่ว่าจะเป็นการปวดอาการป่วยครั้งแรกนะที่ที่เป็นมะเร็งตอมเลิมเหลืปี49กแล้ว็ปวดครั้งที่2นะซึ่งเป็นการปวดครั้งสุดท้ายของท่านปีที่แล้วเนี่ยท่านก็แสดงให้เห็นเลยนะว่าตลอดเวลาเนี่ยท่านเป็น ท่านดูตลอดเวลาท่านเห็นตลอดเวลาความปวดที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ไม่เป็นไม่เป็นผู้เป็นตอ้นี่เนี่ยเมื่อพูดเรื่องเห็นกับเป็นแล้วเนี่ยมันต้องดีไม่พอน้องพูดคําว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะไม่เป็นอะไรกับอะไรหมรายความว่าอย่างไรนะในบันทึกของท่านในบันยามาพาศเนี่ยโชคดีของเรานะั้นไม่รู้จะเป็นโชคดีระอเปล่านะคือการที่ท่านเนี่ยพูดไม่ได้ทําให้ท่านเขียนบันทึกเยอะมากแล้วก็ทําให้ เราก็สามารถจะเห็นได้ว่าสามารถจะรู้ว่าเวลาท่านูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยท่านหมายความว่าอย่างไงในบันทึกยาพระของท่านเนี่ยก็มีหลายตอ น, นที่ท่านขยายความนะว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรคือว่าไม่เข้าไปเป็นอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปและนามไม่เข้าไปเป็นอะไรกับอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจ สีที่เกิดขึ้นกับรูกเรามอาการที่เกิดขึ้นกับการใจก็ได้แก่อะไรบ้างเช่นความปวดนะอารมณ์ความรู้สึกความคิดเนี่ยนะไม่เป็นอะไรกับมันก็คือว่าไม่ไปยึดมั่นว่ามันเป็นเราเป็นของเราปวดก็เป็นเรื่องความปวดไปแต่ไม่ใช่เราปวดไม่ใช่ความปวดเป็นของเราในความหมายนี้เนี่ยไม่เป็นอะไรกับไรเนี่ยเป็นตัวมักก็ได้เป็นตัวมักคือว่าอย่าไปยึดมั่นกับมันอย่าไปยึดมว่ามันเป็นเราเป็นของเรา ในความหมายหนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวผลด้วยนะท่านเขียนไว้ว่าเนี่ยการไม่เป็นอะไรกับอะไรคือที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวงนะเวลาถ้าพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยมันมีความหมายเช่นอะเ่เป็นตัวมากหรือวิธีการที่จะทำให้ไม่ทุกข์ก็คือว่าไม่ไปยึดว่าไม่ไปยึดอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจว่าเป็นเราเป็นของเราและผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรคือว่ามัน คนทุกข์หรือว่าเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์อย่างไรก็ตามเนี่ยสมาธิว่าคําว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยยังมีความหมายหนึ่งนะซึ่งท่านอาจจะพูดเป็นในในนะนอกจากความหมายที่ว่าไม่ไปยึดมั่นไม่ไปยึดอาการที่เกิดขึ้นกับการรับใจว่าเป็นเราเป็นของเราหรือนอกจากหมายถึงการที่ไม่ทุกข์หรือว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยยังมีความหมายอีกแง่นึงคือการที่ท่านมองว่า หมายถึงการที่ไม่สำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ไม่สำคัญมั่นหมายกับภาวะใดๆว่าฉันเป็นเจ้าของภาวะนั้นพูดนะอย่างภาษาไทยคือว่าไม่มีพบไม่มีชาติความสาคัญมั่นหมายเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนดีนะอันนี้เนี่ยมันสามารถจะ ทำให้เกิดทุกข์ได้เป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นนะเคยมีคนถามพระเจ้าว่าเห็นพระองค์พระองค์เนี่ยเดินอย่างสงบมีสง่าถามว่าท่านเป็นเทวดาหรือพระเจ้าตอบว่าเปล่าไม่ได้เป็นเทวดาท่านเป็นคนทันหนึ่คนทันนี่ก็เป็นเทวดาจะได้ไม่ น, นนะพระเจ้าก็ปฏิเสธท่านเป็นยักษ์หรือพระเจ้าก็ปฏิเสธเชื่ออาถา พรามก็เลยถามว่าท่านเป็นมนุษย์ใช่ไหมพระเจ้าก็ปฏิเสธพรามก็เลยมองตัวลวงพระเจา้าเป็นอะไรพระเจา้าไม่เป็นอะไรเลยแล้วอธิโคร่องอธิบัติอยแกความว่ากิเลสที่ทําให้พระองค์เป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันไม่มีแล้วแต่ถ้าจะเรียบโลงก็เรียกโล ง, งพระพุทธคือพระเจา้าเนี่ยโลงเนี่ยไม่ได้สำคัญบ้าหมายพระองค์เป็นอะไรในสายตาของลูกศิษย์ท่านเป็นพระหลงศาสดาในสายตาชาวพุทธท่านเป็นพระเจ้า ในสายตาของญาติถ้านนาจะเป็น อ, อดีตเจ้าชายิรีทธธัตถาแต่จริงแล้วพวกนี้เป็นอะไรเลยเพราะว่ากิเลสที่ทําให้ยึดมันสํำคัญหมายเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยไม่มีแล้วก็คือว่าไม่มีพ่อไม่มีชาติเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นเป็นพ่อก็ทุกข์นะเป็นแม่ก็ทุกข์นะเวลารูปเวลาสอนเวลาแนะนําลูกลูกไม่ฟัง นะลูกเถียงไม่ต้องเถียงอะ่ะลูกแค่ไม่เห็นด้วยนะแย้งขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่ทุกเลยนะฉันเป็นพ่อแม่ฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่ทำไมมาพูดกับพ่อแม่แบบนี้เนี่ยเป็นพระเนี่ยนะบางทีโยมมานั่งแล้วก็เอาเอาขายืนมาที่พระเนี่ยนะก็จะโกรธหรือว่ามาแล้วไม่กราบนะ หรือมาแล้วไม่เรียกพระอาจารย์เนี่ยโกรธเลยสําคัญว่าเป็นพระอาจารย์นี่ก็ทุกนะมีคนเรียกผมพี่เนี่ยโกรธเลยนะเราไมให้ียกับพระอาจารย์นะในความสําสึกบอว่าเป็นนั่นเป็นนี่แม้จะเป็นพระอาจารย์นะเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเป็นพระ ย, ยังทุกเลยนะนับภาษาและการเป็นกู้แพ้การเป็นคนไม่ดีสําคับอว่าเป็นคนดีนี่ก็ทุกนะ เคยมีวันทีุ่ทธหลูงพชาเนี่ยไปไปแสดงธรรมที่อเมริอังกฤษนะก็มีฝรั่งคนหนึ่งนะที่แกสนใจพุทธศาสนาหลายแนวนะทั้งเทรวาททั้งมหา ญ, ญาณแล้วก็ถามถามหลวงพ่ชา ว, ว่าจะาจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อเป็นพระอรหันต์ดีหรือเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ดีนะอาจารย์ชาตอบว่าอย่างไรนะบอกไม่ต้องเป็นอะไรเลยนะ ม่ต้องเป็นพระอาหารหันต์ไม่ต้องเป็นพระโพธิสัตว์แนมะ้แต่ไม่ต้องเป็นผู้เจ้าก็เป็นอะไรก็ทุกทั้งนั้นนะเพราะว่าเมื่อไอความทรงจำว่าเป็นเนี่ยนะมันทำด้วยอุปทานและอุปทานนี่มก็เจอเกี่ยวกิเลส น, นะมีตัวกูของกูตลอดเวลาแล้นที่หลวงพ่าทำเขียนเพราะว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยความหมายจรงคือว่าคุณไม่ต้องเป็นอะไรเลยไม่ต้อเป็นแม้ท่านคนดีเพราะเป็นคนดีเนี่ยนะเวลาเจอคนไม่ดีก็คลิปเห็นเ็นคนละพวกนะ แคนที่ยิ่งมาสำคัญว่าฉันเป็นคนดีเนี่ยเจอคนไม่ดีนี่คนเราพูกเลยนะนแต่คนยี่มาสำคัญว่าฉันเป็นคนสี่ห้าหือสี่ห้าเนี่ยเจอคนไม่ดีสี่นี่รู้สึกเป็นคนเราพูกมันเกือบมากทีเป็นลบขึ้นมาทันทีนะอันนี้กีกเล็อย่างที่เกิดจากการทานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กล่าวอวาคุ้ควรแล้วนะแล้วก็เกิอเวลาที่เ่าให้เลยแล้วก็ให้สี่สิบบาทีนะีก็สีหทีล้ก็ต่อยุดติดเป็นขั้นนี้นะก็ต่อทอ่เห ม, มาะ ข้าอบครนี้อเชิญผู้